ข้อความในปาสราสิสูตรต่อที่บอกว่าพระองค์เนี่ยเคยสแสวงหาสิ่งที่เป็นอนริยะหรือที่เรียกว่าสิ่งที่ไม่ประเสริฐคําว่าไม่ประเสริฐก็คือสิ่งนั้นน่ะเกลือกกลัว้วเจือปนไปด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บป่วยความตายความโศกแล้วก็ความเศร้าหมองนี้ก็มาสแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าตรงกันข้าม ก็คือทำที่ดับความเกิดสแสวงหาธทมที่ดับความแก่ทำที่ดับความเจ็บป่วยทำที่ดับความตายทำเป็นที่พ้นจากความเศร้าโศกเป็นต้นนะพระองค์ก็เลยออกบวชอันนี้คือเหตุผลที่พระองค์ออกบวชอันนี้นี่พูดถึงในตอนสุดท้ายนะแต่จริงๆแล้วตั้งแต่เป็นสุเมศบัณฑิตพระองค์สร้างมารมีมาก็เพื่อจะตรัสรู้ทำเป็นที่พ้นจากความเกิดทำเป็นที่พ้นจากความแก่ความตายพ้นจากความเศร้าโศกและพ้นจากความเศร้าหมอง ในข้อ317เดนี่ยนะดูก่อนพิสูนทั้งหลายสมัยต่อมาเรากำลังรุ่นหนุ่มมีเกศาดำสนิทตั้งอยู่ในปฐมวัยตอนนั้นอายุเท่าไหร่29 29ปีเนี่ยนะเมื่อพระมารดาและพระบิดาไม่ทรงปรารถนาจะให้บวชคือพ่อแม่ไม่ต้องการเลยเนี่ยนะอย่างพระเจ้าสุธโธธนะต้องการให้บวชไหมถ้าต้องการให้บวชไม่สร้างกำแพงขนาดนั้นหรอกเนี่ยนะ สร้างกำแพงต้องการเรียกว่าไม่ไม่ต้องการให้ลูกเห็นเรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีที่จะจะสะเทือนใจลูกนะกลัวจะสะเทือนใจลูกแล้วลูกออกบสถเนี่ยกลัวมากเลยนะเพราะฉะนั้นพระบิดาเนี่ยมีพระพักอาบด้วยน้ําพระเนตรแปลว่ามีน้ําตานองหน้าพุทธบิดาเนี่ยมีน้ําตานองหน้ากันแสงอยู่ก็ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนไม่มีเรือนเนี่ยโบสถ์นะก็ออกบสถ เมื่อบวชแล้วก็แสวงหาว่ากิงกุศลังเขเวสีอย่างไรชื่อว่ากุศลสิ่งที่แสวงหาคือกุศลอันนี้แสวงหาอะไรแสวงหาโสดาปฏิมักสกธาคามิมักอนาคามิมักและอรหัตตมักขณะที่เราแสวงหาความสงบอันประเสริฐซึ่งหาความสงบอันอื่นยิ่งกว่าม่ได้ไม่ใช่ทางนะอันนี้หมายถึงพระนิพพาน กุศลเป็นชื่อของอริยมรรคเป็นชื่อถึงข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพานส่วนคำว่าขณะที่แสวงหาความสงบอันประเสริฐซึ่งหาความสงบอย่างอื่นยิ่งกว่าไม่ได้อันนี้เป็นชื่อของพระนิพพานอันในหน้า440บทว่ากิงกุสลังคะเวสีได้แก่แสวงหาว่าอะไรคือกุศลก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดนั่นแหละ อ น, นุตตรังสันติวรรพดังความว่าสแสวงหาบทอันประเสริฐกล่าวคือความสงบอันสูงสุดได้แก่พระนิพานเรียกว่าสแสวงหาพระนิพานกับข้อปฏิบัติให้บรรลุพระนิพานสแสวงหาตั้งอัปปุตอายุเท่าไหร่ยีสบเกปีทีนี้ก็สมัยนั้นเขาเชื่อว่าอาจารย์ไหนเก่งก็เข้าไปหาอาจารย์นั้นก่อนก็เข้าไปหาอาลาลดาบทกาลามโคดแล้วก็กล่าวว่า ท่านกลามะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้เมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วอาลาลดาบทกาลามะโคตรจึงกล่าวกับเราว่าเชิญอยู่เถิดท่านธรรมนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับที่วินยูชนทำให้แจ้งลัทธิของอาจารย์ตนด้วยความรู้ยิ่งเองเข้าถึงอยู่ไม่ช้าเลย คือเข้ามาเถอะ ไ, ไ, ได้ลูกศิษย์ที่เก่งอ่ะนะพอได้ลูกศิษย์เก่งแบบพระโพธิสัตว์เข้าไปเนี่ยอาจารย์นี่ยืนยันเลยบอกว่าไม่นานหรอกเข้ามาเรียนเถอะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราเรียนธรรมะนั้นได้โดยรวดเร็วไม่นานเราเพียงเปิดปากเจรจาปราศัยเท่านั้นเราก็กล่าวยานวาาเทรวาสมะว่าญาณวาทแปลว่าพูดได้เหมือนอาจารย์ เทรวาวก็คือพูดได้เท่าอาจารย์ฉลาดเท่าอาจารย์นะนะและทั้งเราก็ทั้งเราทั้งผู้อื่นก็ทราบว่าเรารู้เราเห็นเทวาเข้าใจหลักการทฤษฎีของอาจารย์อาลาละดาบทอย่างแจ่มแจ้งเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าใช้พระโพธิสัตว์ใช้เวลาเรียนกับอาจารย์เท่าไหร่รู้ไหมรวดเร็วไม่นานเราเพียงเปิดปากเจรจาเท่านั้น แปลว่าอาจารย์พูดจบรู้เท่าอาจารย์ในเรื่องนั้นนะนะอาจารย์พูดจบรู้เท่าอาจารย์ว่าอาจารย์มีความเห็นอย่างไรมีหลักการอย่างไรมีข้อปฏิบัติมีปฏิปทาทิศทางวิธีการเป็นอย่างไรฟังจบเข้าใจเท่าอาจารานะก็แปลว่าไม่ต้องทวนถามาว่าไงนะอะไรเป็นต้นเนี่ยไม่มีก็เข้าใจเท่าอาจารหมดแล้วเราก็เลยคิดว่าอาลาละดาบทกล า, ามโคทย่อมบอกธรรมะนี้ไม่ใช่เพียง โดยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวอาราะดาบทไม่ใช่แค่ศรัทธานะเรากระทำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งเองเข้าถึงอยู่โดยที่แท้อาราธดาบทกลามาโคตรรู้เห็นธรรมนี้วันลัสที่คำสอนของอาจารย์อ า, อ า, ารอาธดาบทเขาปฏิบัติเข้าถึงและเอามาสอนซึ่งพระโพธิสัตว์ฟังแล้วก็เข้าใจว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยเข้าถึงเข้าถึงเข้าถึงที่ว่านี่คืออากินจัญญาเจตนะนะ ต่อจากนั้นเราก็เข้าไปหา阿拉ระดาบทกลามโคธถามว่าท่านกลามะท่านทำให้แจ้งซึ่งธรรมนี้ด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเข้าถึงบอกโดยเหตุเพียงเท่าใดหมายค่าว่าข้อปฏิบัติที่จะทำให้ได้อาหกินจัญญยายตนะเนี่ยต้องทำอย่างไ ร, เ, รเมื่อเราถามอย่างนี้แล้ว阿拉ระดาบทกลามโคธก็บอกวิธีเจริญอาหกินจัญญายตนะสมาบัติแก่เรา เรานั้นคิดว่ามิใช่อาลาลดาบทกลามกโคดเท่านั้นที่มีศรัทธาในอากินจัญญายาตนะแม้เราก็มีศรัทธามอนกันไม่ใช่อาลาระดาบทเท่านั้นที่มีวิริยะเราก็มีไม่ใช่อาลาระดาบทเท่านั้นที่มีสติเราก็มีไม่ใช่อาลาระดาบทเท่านั้นที่มีสมาธิเราก็มีไม่ใช่อาลาระดาบทเท่านั้นที่มีปัญญาเราก็มีวัดกันที่อินทรีย์นะนะวัดกันที่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและ ปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคู่ควรที่จะทำให้แจ้งที่จะเข้าถึงอากิญจัญญายาตะนะผู้นั้นก็ปฏิบัติได้พระพุทธสั์คิดเลยนะว่าไม่ใช่อาจารย์เท่านั้นเราก็มีเนี่ยนะอย่างที่เขาบอกว่าอะไรนะถ้าหลวงพ่ออยู่ได้ผมก็อยู่ได้เขาคิดอย่างนี้นะนี่ก็เหมือนกันถ้าอาจารย์ปฏิบัติได้ทำไมเราจะปฏิบัติไม่ได้เร า, เาอกว่า เราเริ่มบำเพ็ญเพื่อให้แจ้งซึ่งธรรมคืออากินจัญญายาตนะที่อ า, าลาระดาบทกลามโคดบอกว่าทําให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองเข้าถึงอยู่ดูก่อนพิสูุนทั้งหลายต่อมาไม่นานนะักเราก็กระทำให้แจ้งซึ่งธรรมนั้นด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเข้าถึงอยู่ ไม่นานนี่แปลว่าสองสามวันท่านเข้าอปฐมฌาน ท, ทุติยะฌานตาติยะฌานจตุทะฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาอากินและจนถึงอากินจัญญาจตนะได้สมาบัต 8, ิ8ดอย่างสมาบัติเจอย่างชํานิชํานาญชํานาญการชํานาญในการนึกถึงชํานาญในการเข้าชํานาญในการดํารงอยู่ชํานาญในการออกและชํานาญในการพิจารณาใช้เวลาสมวนันนะได้สมาบัติ8เหมือนคนที่เรียกว่า ฉลาดคลี่มา่านเจ็ชั้นอ่ะนะคลี่มา่านเ็ดชั้นเนี่ยคลี่ออกสวยนะชั้นใดพระโพธิสัตว์ก็เจริญอารูปประชานได้ชั้นนั้นแป๊บเดียวเนี่ยนะแต่ที่จริงเนี่ยนะท่านเป็นพลที่ปกติแล้วได้ชามติดกันไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติอันวิชายอย่างนี้เนี่ยนะสองสาวันท่านก็ได้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าอย่างชาติที่ท่านออกบวชเป็นฤาษีโดยมากได้ อภิญญาห้าสมาบัตแปดท่านได้มาสอนในสิ่งที่ท่านเคยได้อยู่แล้วเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าอะไรนะคนที่เก่งเรื่องนั้นอยู่แล้วอะเพียงแต่ว่าลืมไปอะนะก็มีคนมนันใแนวให้นี่นี่หน่อยหน่อยก็ทําได้หมดแล้วเนี่ยนะต่อจากนั้นหลังจากที่ปฏิบัติเข้าตัวเองเนี่ยชำนาญได้อากินจัญญายตนะสมาบัติแล้วก็เข้าไปหาอ า, าลาแลดาบทกาลามโคดแล้วถามว่าท่านกาลามะ ท่านกระทาให้แจ้งซึ่งธรรมะคืออากิญจายาตนานี้ด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเข้าถึงอยู่บอกได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออัน น, ะนก็เรียกว่าเป็นการถามเพื่อความรู้ยิ่ง น, นะนะถามว่าทั้งหมดลทัทธิคำสอนของท่านมันจบลงที่นี้ใช่ไหม ผู้มีอายุแม้ข้าพเจ้าก็กระทาให้แจ้งซึ่งธรรมนี้ด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเข้าถึงบอกได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละใช่แล้วถึงจุดสุดยอดของศาสนานี้แล้วแปลว่าเข้าถึงนิพพานในศาสนานี้แล้วท่านกลัลยาณม์แม้ข้าพเจ้าก็ทําให้แจ้งซึ่งธรรมนี้ด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้เหมือนกันเท่าอาจารย์น่นแหละว่างั้นนะ อาจารย์เนี่ยพรอาจารย์เนี่ยไม่ใช่เป็นคนโดยมักฤษยาโดยปกติแต่เป็นคนที่อยู่ด้วยมุทิตาเป็นต้นเป็นลาบของข้าพเจ้าดีใจมากเลยนะดีใจโอ้ดีใจมากเลยนะเป็นลาบของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้เห็นสัพพรมจารีผู้ประพฤติพรหมจรรย์เช่นกับท่านเพราะข้าพเจ้ากระทําให้แจ้งซึ่งธรรมะคืออากินจัญญายตนะด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองแล้วก็บอกได้สอนได้ ท่านก็กระทำให้แจ้งซึ่งธรรมคืออากินจัญญายาตนะเข้าถึงอยู่ได้เนี่ยนะข้าพเจ้ากระทาให้แจ้งซึ่งธรรมนั้นด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองจึงบอกได้เข้าได้บอกได้เนี่ยนะข้าพเจ้าทราบธรรมใดท่านก็ทราบธรรมนั้นท่านทราบธรรมใดข้าพเจ้าก็ทราบธรรมนั้นแปลว่าฉลาดเท่าอาจารย์นะสมัยนั้นเขาเข้าแบบเขารับรองว่าศิษย์คนนี้เก่งเท่าอาจารย์เลยสรุปเป็นอันว่าอาจารย์อะ อาจารย์อาราละดาบทเนี่ยบอกเลยว่าข้าพเจ้าเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้เราทั้งสองจะอยู่ร่วมกับคณะบริหารคณะนี้ต่อไปมาช่วยกันเป็นมาช่วยสั่งสอนสาศาสนานี้ก็แล้วกันเนี่ยนะศาสนาอะไราศาสนาที่จบลงที่อากินจัญญายตนะสมาบัตินะมาช่วยกันสอนสาศาสนานี้นะเนี่ยนะ ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอาลาและดาบทกลามโคทั้งที่เป็นอาจารย์ของเราก็ยกย่องเราผู้เป็นสิทธิ์ให้เสมอกับตนและบูชาเราอย่างโอฬานโอฬานนี่เป็นการบูชาชนิดพิเศษเหมือนกันด้วยประการชนีก็แปลว่าถ้ามีใครเอาของมาถวายท่านจะเอาไปถวายพระโพ ธ, ธิสัตว์ก่อนเหลือแล้วจึงมาเป็น ของตัวเองเนี่ยนะเขาเรียกว่าบูชาอย่างยิ่งนะนะทุกอย่างได้มาต้องแบ่งเป็นสองหมดยกให้พระโพธิสัตว์ก่อนแล้วเหลือจึงเป็นของท่านเนี่ยนะก็คือคืออาจจะเป็นลักษณะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่รูกว่าจะบรรลุได้ขนาดเนี่ยปฏิบัติมากมายกว่าจะได้ตรัสรู้ขนาดนี้ยัลูกศิษย์เข้ามาสองสาวันได้หมดแล้วเนี่ยนะแล้วเก่งเหมือนตนเนี่ยจะไม่ให้นับถือได้ยังไงเนี่ยนะเก่งจริงๆเลยนะอย่างใครที่บอกแม้เพิ่งมาเรียนพระไตรปิฎกครั้งแรกแล้วทรงจําได้เข้าใจได้เนี่ยว่มาถือย่ำตามแน่นอนเลยนเก่งขนาดนั้นเนี่ย มีบุญจริงๆเลยนะทำบุญอะไรมานาะเนี่ยนะเก่งจรนะิงอ่ะถ้าเก่งขนาดนั้นจะถือย่ามขอสมัครเป็นลูกศิษย์เลยแหละางั้นะเดี๋ยวจะบอกวิธีให้แล้วท่านจะได้เป็นอาจารย์ต่อไปแล้วก็ขอติดตามเนี่ยนะทำบุญมาดีจรนะิงๆเก่งจริงๆพรางั้นพันก็กว่าเป็นผู้ที่รวได้รับการยกย่องจากอาจารย์เสมอกับตนเนี่ยนะนะแต่เราก็มาคิดทบทวนว่า อากินจัญญาญตนะหรือเรียกว่าสมาบัติแปะสมาบัติทั้งเจปฐมฌานทุติยะฌานตาติยะฌานจตุทัตฌานที่มาจากกสินก็คือไปเรียนอะไรเรียนวิชาการเจริญกสินนะปฐวีกสินเป็นต้นจนได้สมาบัตเนี่ยนะปไดรูปฌานและเพิกกสินเป็นอรูปฌานได้อากินจัญญาญาตนะท่านก็เห็นแล้วว่าถ้าหากว่าเข้าออกนึกถึงอยู่หยุดอยู่กับ สมาบัติทั้งเจ็ดนี้สมาบัติทั้งเจ็ดนี้ไม่เป็นนิเพทภากยะเลย น, นะเพราะอะไรเพราะไม่ได้เป็นบาตรรองรับการเจริญอนุปัสนาเจเลย น, นะไม่ น, นะปฐมฌานอันนั้นไม่เป็นบาตรของอากินจัญญะไม่เป็นบาตรของอนุปัสนาเจทุติยฌานกลุ่มนั้นก็ไม่ได้เป็นบาตรของอสมาบัติของอนุปัสนาเจสรุปว่ารูปฌานและอรูปฌานที่อาลาละดาบทสอนเนี่ย ไม่ได้รองรับอันิพพิธาเลยแปลว่าไม่รองรับอนุปัสนาเจ็ดเลยไม่รองรับอนิจจานุปัสนาไม่ได้รองรับทุกขานุปัสนาอนัตานุปัสนาไม่ได้รองรับนิพพิธานุปัสนาวิราคานิโรธาปฏินิสขานุปัสนาเลย<ส>เพราะฉะนั้นเมื่ อ, อสมาบัติทั้งเจดที่อาจารย์แนะนามาเนี่ยไม่ได้รองรับวิปัสสนาก็เท่ากับไม่เป็นไปเพื่อวิราคะคือ อ, อริยมรรคไม่ได้เป็นไปเพื่อนิโรธะคือพระนิพพานไม่ได้เป็นไปเพื่ออุปสมะสงบจากวัตะคือพระนิพพานไม่ได้เป็นไปเพื่ออภิญญาคือความรู้ยิ่งเป็นชื่อของพระนิพพานสัมโพธายะการตรัสรู้คืออริยมรรคแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนินพพานสรุปเข้าใจเลยปฐมฌานจนถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานอากาสาน <ainsi> ัญจายตนาวิญยาณัญจายตนาอากินจัญญายตนะ สมาบัตททั้งเจ็ดเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปเพื่ออนุปัสนาเจ็ไม่ได้เป็นไปเพื่ออริยมรรคอริยผลและพระนิพพานเลยแสดงว่าไม่ใช่สิ่งที่ท่านสแสวงหาไม่ใช่อะไรคือกุศลไม่ใช่บทสงบอันประเสริฐที่ไม่มีบทธรรมที่สงบยิ่งกว่านี้อีกคือพระนิพพานอากินจัญญา ย, ยตนะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ดับความ เกิดความแก่ความเจ็บความตายอากินจันญายตนะไม่ใช่ดับความโศกอย่างแท้จริงไม่ใช่ดับสังกิเลสคือดับทุจริตดับตันหาและก็ดับทิฐิจริงๆแต่เป็นไปเพื่อเข้าถึงอากินจันญายตนะพบซึ่งมีอายุห0 0มื่นกับเท่านั้นนี่ก็เป็นไปเพื่อวตัตถะสิใช่ไหมก็เป็นไปเพื่ออะไรเพื่อชาติชราและมรณะเพราะเป็นไปเพียงเพื่อ อ, อากินจัญายตนะเท่านั้นเราก็ไม่พอใจ ไม่ใช่สิ่งที่ไม่คือเหมือนกับคนที่ไปซื้อของนี่เห็นชัดเลยใช่ไหมพ่อค้าแม่ค้าก็ให้ของที่เราไม่ได้อยากได้นะเอามาให้เราก็ไม่เอาอยู่แล้วเพราะไม่ใช่สิ่งที่เรามาหามันเราก็ต้องเดินจากร้านนั้นไปฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเมื่อไปเรียนสมาบทเจ็แล้วดอกนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อวิปัสสนามักผลนิพพานเพราะฉะนั้นออกดีกว่าก็ไม่พอใจเบื่อนายจากตำนั้นคือรู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่ตัวเอง สแสวงหามันก็ดีสําหรับคนที่คิดจะอยู่ในวัตฏะพักผ่อนชั่วคราวเป็นสันตาวิหารธรรมเป็นธรรมที่สงบชั่วคราวแต่ไม่ได้สงบที่สูงสุดที่พระองค์สแสวงหาไม่ได้สแสวงเจริญบารมีสร้างบารมีเพื่อสิ่งเหล่านี้เลยแต่ต้องการแทงตลอดโลกุตรธรรมต้องการแทงตลอดอมะตะธรรมเพราะฉะนั้นเห็นว่าไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการก็ไม่พอใจเบื่อหน่ายหลีกไปจากธรรมนั้นเนี่ยนะเพราะอะไร ตรงนี้ อ, อากินจัญญายตนะเนี่ยเป็นชาติชารามรณะใช่ไหมพระ อ, องค์ไม่ได้แสวงหาชาติชารามรณะเพราะฉะนั้นยื่นข้อเสนอชาติชารามรณะที่ประณีตก็คือชาติชาราและมรณะจึงไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการก็เลยเดินจากไปเนี่ยนะ